อโลูกรักทั้งหลายสำหรับเทพหน้านนี้ถือว่าเป็นเทพหน้าสุดท้ายย่อต้องถอยหลังลงไปทั้การตายครั้งที่สองว่าถอยหลังลงไปเพื่อดูว่าเวลาที่มันจิตมันต่ะครั้งที่เจ็ดกำลังใจมันสูงมากแล้วถอยหลังมาหาจิตต่ําำ การตายครั้งนี้สองนี่เป็นบสสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเอกีนี้บอกว่าเทปนานว่าสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสี่ิเก้าไม่ใช่นะสนะองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะอาทศตน้านี้เป็นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดปีนี้เป็นปีที่อยู่ในตอนปลายสงครามหรือท่สงครามกำลังหนัก สงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พ่อมาเรียนบาลีและกำลังเป็นนักเทศอยู่ที่วัดปยโร่วงสาวาตเดิมมาเรียนอยู่ที่วัดนงคารามแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วั ด, วดปยุร่วงสาวาตการตายคราวนี้เป็นการตายที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าชีวิต เวลานั้นร่างกายก็แข็งแรงดีไม่มีความหมายว่าจะต้องตายหรือว่าจะต้องป่วยอยู่ดีๆยาที่เคยฉันเป็นปกติเพื่อระบายท้องให้เรียก ว, ว่าเป็นการระบายท้องกันท้องผูกก็ฉันเป็นปกติไม่ได้ฉันมากแต่ก็ฉันมาเป็นปีๆเพราะว่าการเป็นนักเทศ สมัยนั้นเป็นนักเทศด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นครูสอนบาลีด้วยแล้วก็ครูสอนนักธรรมด้วยได้ควบคุมพระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในคณะด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านพระครูบัลลัดผลเวลานั้นท่านเป็นเจ้าคณะพอมาอยู่พอเข้ามาอยู่ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะ ก็เลยต้องว่าหน้าที่แทงของท่านทั้งหมดเจ้าคณะก็มีพระบัญชาบอกว่าควรจะทําอะไรในการตักเตือนพระก็เป็นเรื่องของพ่อพ่อจึงเรียกว่างระเบียบวินัยไว้เพื่อปฏิบัติสิข้อเสร็จแล้วก็วินัยระเบียบที่จะต้องปฏิบัติพ่อก็ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยการที่พ่อออกกฎ แล้วก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการป้องกันไม่คนละเมิกดกฎและกฎทันนั้นก็เป็นการเรียบร้อยคือทุกคนก็ปฏิบัติ ด, ดีมาถึงตอนนี้จเจนว่าการเจริญพระกรรมฐานที่ได้มาจากที่วัดบรานงโขก็รู้สึกว่ามันจะเบาตัวลงและ ว, ว่าภารกิจมากหนึ่งปกครองพระในคณะ สองเป็นนักเรียนบาลีสามสอนบาหลีเบื้องต้ น, ตนสี่แล้วก็อสอนสอนนักสอนนักธรรม <c oughs> แล้วก็ห้าเป็นนักเทศรู้สึกว่างานไยคันธาธุระรู้สึกว่าจะมากสักหน่อยปริปัสนาธุระจะเบาไปนิดหนึ่ง แต่พ่อก็มาดี๋ปลอยจิตเวลาที่ดูนังสือสอนนังสือพ่อใช้จิตไปสมาธิเพราะการดูนางสือคือตั้งใจดูจริงนางสือทุกตัวสอนไม่ยอมไม่คลาดจากตาและก็ไม่ยอมไม่คลาดจากใจเป็นการรักษากําลังใจไปสมาธิไปในตัวเมื่อยามว่างคือหลังจากเวลาย4่สีนาฬิกามาันแล้วก็ทากิตตามปกติ ถึงเวลาตีสองก็นอนตีสี่ตื่นขึ้นจเจริญรั ก, กรรมฐานตามสมควรเวลาตีห้าทบทวนความรู้ที่จะไปศึกษาในวันรุ่งขึ้นแ้ตอนเช้าไปินรบาบตอนสายทำวัดหลังจากนั้นก็เข้าเรียนหนังสือพอตอนบ่ายโมงก็เข้าสอนสอนบาลี มายสามมองก็สอนนักธรรมเมื่อเลิกมาแล้วก็มาค้นคว้าตำราเพื่อเป็นนักเทศเป็นว่ากิจที่จะต้องพึงทำเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ก็ท่งชีวิตอยู่ได้ <c oughs> สำรับพระที่อยู่ด้วยก็ต้องเลี้ยงเพราะเธอบินาบัดมาไม่พอฉันการเป็นนักเทศคราวนั้นก็ต้องเทศมาเลี้ยงพระ ออกพรรษารู้สึกว่าเทศมากก็พอใช้พอใจเวลาเข้าพรรษาเทศน้อยก็ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเขามาโรคร้ายกันตอนนี้ว่าไรฟังบอกที่งานกันจะก่อนว่างานมันยุ่งขนาดนี้รักษากําลังใจยังไงเรื่องกําลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องพี่เป็นวิปัสนาญาณ เลย น, นั่นนัวพ่อก็ทําคําไม่พูดปริศนาเกือบจะไม่รู้สึกว่าไป็นมิปริศนาแต่ที่หลวงพ่อปานสอนให้ตัดกันห้าก่อนแล้วภาวนาพ่อก็ทําเป็นปกติคือโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นมิปริศนาเวลานั่นเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดเพราะต้องระมัดระวังใจพ่อมาเจอท่านช่างเขียนท่านหนึ่ง ท่านบอกม า, มาตอนนี้นะที่อยู่ท่าส่งแล้วท่านมาเขียนภาพให้ราคาเขียนว่าท่านราคาตั้งแสนแต่ว่าท่านไม่เอาสตังเลยท่านเขียนภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพขอหลวงพอ่อท่านบอกว่ามารดาคนท่านอยู่ที่วงเวียนเล็กทุกคนที่บ้านแปลกใจที่ขา้ารูปของหลวงพ่อไปเขียนว่าทุกคนในบ้านนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้ ทำเหมือนันมโรบหลอ่อทัานว่าอย่างนั้นเดินบินาบาดก็ได้ความสงบอยู่ปกติก็เปรียบไม่ก็อย่าพูดกับใครเป็นนว่าชาวบ้านในเวลานั้นที่รู้จักคิดว่าพระองค์นี้อยู่ไม่นานไม่ช้าก็ต้องสึกเพราะจริยาแบบนั้นเขาถือว่าเป็นจริยาของคนเจ้าชูนี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน พอทําตามหน้าที่เกรงว่าสมาธิมันจะพังตอนนี้ตายไม่จริงนะครั้งที่สองนี่ตายไม่จริงเพราะฉันยาเข้าไปตอนเช้ามันก็เดินอย่างท้องเดินอย่างหนักเป็ว่าพ่อนียวตองตายพระโรคท้องเท่าเดินอย่างหนักสามครั้งก็หมดอารมณ์แรงก็หมดไปสายตาสั้นกึ้มาทีละน้อยแต่น้อย แต่กำลังใจนี่มันสบายที่สุดเพราะว่าจิตทรงสมาธิอยู่เลยพอเริ่มมันสบายปัจจิตก็จับประล ม, มสมาธิอนนาปานุสติกับพุทธานุสติพอจับพุทธานุสติก็ทรงเห็นพระรูปโฉมงพระ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใจก็สบายตามันสั่นเร้ามาสั่นเข้มาจนกงะทั่งเนนนั่งอยู่สองข้างมองไม่เห็น ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในถรร้ำกรู้ว่ายถ้ำรรตัวนี้ก็คือร่างกายของเราเองแต่ตัวที่อยู่ในเห็นร่างกายมันใหญ่เป็นถ้ำแต่งตัวเหมือนกับพรหมมีตัวเป็นแก้วเครื่องประดับเป็นทองรัศมีแสงของแสงของทองสาดเข้าไปทับผิวของตัว เห็นเป็นทองทั้งตัวก็นั่งอยู่เฉยๆก็คิดในใจว่านี่เราควรจะไปหรือว่าควรจะอยู่นี่ความรู้สึกมันปกติก็คิดว่าถ้าควรจะอยู่ก็คอยขับพันนรังศีรัศมีอุบาการเขาองค์สมเด็จพะไปชิตตมานพวยพุ่งมาเป็นพิดดนพอดีถารเสร็จ มันก็พลอยพุ่งกลับมารัศมิพัศมยประการก็พุ่งมาเป็นเป็นดานยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไป <c oughs> แล้วก็คิดในใจว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าท่านสมณธรรมจะดีกว่านี้นัยยะถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการฐานะไม่ต้องการตาแล้วถ้าว่าสมณธรรมยัดีกนี้ก็คอยฉับพลันองศีพุ่งมาใหม่แล้วก็วนเป็นทักษิณาวัต ถ้าลัทธิมีถ้ากับสมณธรรมไม่ดีกว่านี้เราก็ไม่อยู่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เป็นวัชพันธ์รังสีก็พุ่งมาใหม่วนเป็นทักษิณาวัดยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เห็นคนน่งขาวห่มขาวแต่ความจริงท่านบอกห่มสีทองนุ่งสีทองท่านพูดนั้นก็คือปูะของโลก ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าเอาอยามาก้อนหนึ่งเหมือนกับดินแต่บอกว่าฉันยาก้อนนี้สียลกวันมะเรนนี้ที่จะไปเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะเราลูกจะมีแรงไปได้ฉันก็ไปแล้วก็รู้สึกร่างกายสบายท่านจะบอกว่าหายแล้วลูกไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าตอนนี้ กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงความจริงมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ามันประเดี๋ยวเดียวรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้มันดีเป็นปกติการถ่ายท้องเขานั้นเหมือนกับถ่ายท้องล้างท้องนั่นเอง เรียกแรงดีจะเดินไปท่านไหนพระเอทนก็เข้าประคับประคองเขาบอกว่าไม่ต้องประคองร่างกายฉันดีเป็นปกติตอนนี้ก็ต้องขอเล่าย่อๆว่าการรักษากำลังใจขั้นต่ำอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรักษากำลังใจที่ขั้นต่ำที่สุดเี้ก็มมรุมแบบนี้ตอนนี้ไปก็ขอเล่าทุกความตายครั้งที่หนึง่ง ด้วยความจริงมันจะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจริงๆครั้งหนึ่งมาเป็นเด็กอายุสาปีอันนี้จําไม่ได้ก็เลยไม่นับในการป่วยอครั้งหนึ่งมันมีลักษณะถึงเป็นป่วงก็ไม่ควรจะไล่ฟังมันเยื่นเยอะ เ, เกินไปมันไม่ถึงกับตายเป็นแต่เพียงว่าขณะที่ป่วยก็เห็นเรือมาจอดแล้วคนขึ้นมาสี่คนน่องแดงใส่แดง ก็มองดูเขาบอกเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่นี่ใครวางยาผิดนะเราไปกันเถอะพอเขาไปแล้วการก็หายนี่เล่าเย่ะๆนะนี่เบถึงตอนตายเมื่ออายุทิศสองปีตอนตายเมื่ออายุทิศสองปีที่เล่าไว้ในเรื่องของโรคปานก็นมาประมวลไว้ในทีน่นี้มันเป็นโรคอยุวาแต่แคโรค ที่ชบ้านเขาวั่นหวาดขึ้นหนึ่งสัตว์เล็กตายก่อนคือปีกไก่มาดับที่สองควายตายมาดับที่สามคนตายสุนักเห่าหอนเป็นที่น่ากลัวคนเที่ยวในเวลากลางคืนเวลานั้นเลิกเที่ยวกันหมดทั้งนี้เพราะรเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างก็กลัวความตาย เมื่อถึงบาระที่โลกมันคขามาก็ก็ท่องเดินอย่างหนักตอนนี้เป็นเด็กรู้สึกว่ากำลังใจยังน้อยอยู่การศึกษาลมไปสมาธิอย่างน้อยมากเพราอว่าท่านแม่ท่านสอนก่อนจะหลับให้ผู้ชาพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธสามคำให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยินเวลาจะไปโรงเรียน ให้ไหว้พระสิกอนแล้วก็ให้ภาวนาว่าพุทโธให้เบรการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ที่ต้องภาวนาว่าพุทโธมากต้องใช้เป็นปกติก็คือว่าท่านบอกว่าคําว่าพุทโธนี่ผีกลัวถ้าเราภาวนาว่ธธาพุทโธแล้วผีไม่สามารถจะทําอันตรายได้ ไปอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาว่าพุทโธผีกลัวพระพุทธเจ้าเมื่อผีกลัวพระพุทธเจ้าผีก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกล้เมื่อผีทำอะไรายไม่ได้เราก็มีความสุขเจ่นนั้นยังภาวนาว่าพุทโธเมื่อเวลากลัวผีเป็นนั้นว่าเวลานั้นเป็นการภาวนาพิเศษไม่ได้มุ่งสวรรค์ไม่ได้มง่งพรหมไม่ได้ ม, งม่มมงนิพพาน พอป่วยเข้าท่านแม่ก็พระพุทธรูปมาตั้งให้ให้ดูเห็นและภาวนาว่าพุทโธท่านบอกว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทโธนี่จะรักษาให้ลูกหายเจ็บพระทองมันปวดหนักข้างในมีความร้อนมากผ้าที่น่งขาหมดก็ไม่ได้เอาเข็มขัดรัดก็ไม่ได้มันเจ็บมาถึงบนหนังทองในที่สุดก็ต้อง เอาผ้าวางไว้เฉยๆเพราะว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ใจจับจุดที่พระพุทธรูปเดนแรกก็เห็นพระพุทธรูปเป็นเป็นสีทองคือเป็นพระทองคำนาข้าวนาข้าพระพุทธรูปก็กลายเป็นพระสงฆ์ที่แรกเป็นพระสงฆ์ธรรมดาได้ผิวสวยเนื้อเหลืองคล้ายกับผ้าห่ม แล้วต่อมาสีสีเป็นเนื้อเหลืองที่เป็นผ้าห่มก็ค่อยกลายไปทีละน้อยๆกลายเป็นผ้าของเทวันดาคือสวยสที่สุดงามอารามไปทั้งหมดปรากฏว่าสวยที่สุดแล้วก็ส่งแย้มพระโอษฐ์ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวนี้มันออกไปจากร่างตัวนายมันออกมาจากร่างเป็นพรหม สวยสดงดงามมีความอารามมากจะเลียวซ้ายแหลกขวาหันหน้าหันหลังมันเบาไปหมดมองตัวที่นอนรู้สึกว่ามีความนังเกียจ ม, มันไม่สวยสักนิดไม่มีอะไรน่าดูเ่บนิสุขท่านยังไงก็เป็นลาท่านพ่อท่านแม่เป็นลาท่านแม่ท่านลุง ว่าจขออนุญาตไปข้างล่างท่านก็ไม่มีใครสนใจนี่ขอเล่า ล, ะละันลัดเพราะว่าในเรื่องพระปานดีแล้วในมีแล้วในเมื่อท่านไม่สนใจเราก็เดินไปลงข้าล่างไปยืนอยู่หลังบ้านเห็นคนหลายคนเป็นนประมาณสองร้อยคนเศษก็เดินมาแต่กไกลเมื่อเขาเดินมาแล้วก็มาใกล้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้เขาไปไหนกันนะ เมื่อเาเดินเข้ามาใกล้ก็เห็นคนที่เดินติดตามมาเนะี่ยเป็นคนที่รู้จักกันทั้งหลายคนได้แก็ทราบว่าคนที่รู้จักกันนี่เขาตายไปหลายวันแล้วนี่ในเมื่อเขาตายไปหลายวันแล้วเขาเดินมาได้ยังไงแต่วความจริงตัวเองไม่ยักรู้ตัว่าตายเวลาที่มันจะออกจร่างกายก็ไม่รู้ว่าออกไปมาอะไรไม่กัน พอคนก็น่าเดินมาเขาก็ไปถามท่านว่าลุงครับคุณลุงจะไปไหนกันจะไปงานวัดไหนสมัยนั้นไองานหนังนนนกลางแปลงก็ม่เคยมีที่จะใส่งานวัดแม่มอรสศพท่านลุงที่อยู่หน้าเปิดบัญชีตัวสูงมากคนที่เดินตามรู้สึกว่าหัวแค่เอวและแค่เข่าของท่านทนั้นท่านสูงท่านใหญ่มากท่านก็เปิดบัญชี ให้เก็บอกว่าบัญชีไม่มีหลานหลานไม่มีชื่อนะบัญชีกลับบ้านเสียเถอเดี๋ยวคนเดียวว่าเดี๋ยวคุณแม่จะคอยท่านก็จุงมือมาที่บันไดพอถึงบันไดท่านก็นเดินไปแล้วก็นึกในใจวาอาศัยนิสัยของตัวเองมันมีว่าถ้าอะไรไม่รู้ต้องรู้ให้ได้แล้วมีกติอันหนึ่งว่า คำว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่ความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เด็ก ว, ว่าทุกอย่างต้องสามารถหมดถ้าเราทําดีไม่เท่าเขาเราก็ต้องทําแค่ใช้ได้ก็อย่างดีฉะนั้นภารกิจงานต่างๆนี้ทําขึ้นมานี้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะทําได้ก็ทําได้มาทั้งเยอะแยะ เป็นงานด้านวัตประต้เรื่องวิทยาศาสตร์กับจุ๋งก็จริงและจุ๋งก็จริงไม่ได้เรียนกับเขาชอบเอาตำราเกตมาอ่านแล้วก็ทำตามนั้นแล้วผลที่สุดมันก็ทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเบาๆที่มันไม่มีประโยชน์มากแต่ก็มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กทือว่าทำได้ก็เกิดความชื่นใจ ในม่านิสัยมันเป็นอย่างนี้ท่านลุงข้างหน้าทําไมบอกก็ไปถามลุงออกไปอีกคนนี้ขนาบกลางมาสองข้างถ่านก็ทําแบบนั้นถามคนสุดท้ายที่กลุมมาท่านก็ทาท่าแบบนั้นก็นึกในใจว่าตาสีลุงนี่ก็จะไปไหนกันทําไมยังต้องปกปิดเป็นความลับ ในเมื่อแกปกปิดเราเราก็มีแรงเดินเป็นดูได้จิ่งเดินไปห่างๆทีแรกรู้สึกว่าจะเดินไปนั้นด้านทิศเหนือเป็นทางโล่งต่อไปก็เ ข, เข้าป่าภัยแล้วขึ้นเขาเล็กๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาจึกราทั่งถึงที่สุดเป็นเขาใหญ่ยาวเหยียดสูงมาก คนวนหน้าขึ้นไปก่อนก็กลางมันชีตรวจคนที่ผ่านไปพูดี่ขึ้นไปแล้วก็ลงทางด้านโนนเป็นนั้นว่าเขาบอกครบพอครบเราก็โปร่เพราะรู้สึกว่าทั้งสี่ท่านตกใจถ้าว่าหนูมายังไงก็เลยบอกว่าคุณลุงไม่บอกผมนี่ ผมถามว่าคุณลุงไปไหนคุณลุงไม่บอกผมผมก็ต้องตามมาดูแต่ทั้งหลาชี้ดูว่าพวกนั่นเขาไปที่โน่นไปดูแล้วก็มีอาคารสามหลังใหญ่ๆมีคนนับหมืน่นยืนอยู่สะพังมีคนตัวโตๆถืออาวุธควบคุมอยู่แล้วถามนั้นว่านันดานอะไรท่านบอกว่านั่นเป็นถิ่งของพญาหยม ท่านก็ชี้ดูไปไกลามากด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกว่านั่นเป็นนรกคนผู้นี้เคยทําความชั่วมาก่อนเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นคนก่จะเกิดเป็นคนก็ต้องผ่านนรกหลายขมุมเป็นเปรตเป็นสุตกายเป็นสัตว์ใจฉัน แต่ได้ว่าไปเป็นคนแล้วไม่สร้างความดีเขานํามาลงโทษใหม่ยันได้ขออนุญาตท่านว่าจะขอลงไปท่านบอกลงไม่ได้คนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีพุโทโธก็ดีสมัยนั้นเขานิยมกันสองอย่างอารหังบ้างพุโทโธบ้างท่านบอกคนที่ภาวนาอย่างนี้ตายแล้วก็ออกมาแล้วลงไปในแดนนั้นไม่ได้ลงมีโทษ ก็ได้ถามนะว่าผมตั้งใจลงไปเองลงยังมีโทษอย่างไรท่านบอกไม่ได้ผิดระเบียบแล้วท่านก็จะเนสั่งว่าที่หลังท่านลูกหลานต้องการอย่ารู้มาตรงนี้นะและก็นึกถึงลงลงจะมาหาต้องการดูนรกขุมไหนลงจะเอามาให้ชี้ให้ดูแค่ให้ใกล้ๆหลานจะรู้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ขอให้กลับบ้าน เออ น, นั้นว่าวันนั้นก็ต้องกลับท่านก็นสั่งคนที่เดินหลังบอกว่าไอ้เจ้านี่ไม่ดูเด็กรลอยเด็กตามมาเราจะมีโทษกันเป็นพวกเองต้องนําไปส่งแต่คนเดินเดินหลังแกต้องย้อนมาส่งก็ก็โกรธแกทําท่าโกรธคว้าสองขาเวียงขึ้นบ่าแกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงขเขารู้สึก็วิ่งเร็วมาก พอถึงหน้าประตูที่เขาเสียกโทษ่อไปแล้วแกก็บอกว่าไอ้หาเจ้าถ้าไม่กลูลลำบากโดยมึงไม่น่าจะตามไปเลยแล้วแกก็ไปพอไปก็กลับฟื้นคืนชีพทราบว่าตอนตายเวลานั้นประมาณสามโมงเช้าเห็นจะได้โดยประมาณแล้วรู้สึกขึ้นตัวมาก็ประมาณตีสอง เวลานั้นคนเต็มบ้านแล้วว่ามีลุงที่เป็นพระท่านบอกห้ามผล่สายกระสังห้ามใจกายก็ศพทุกอย่างเพราะศพจะกลับทั้นี้พ่ อ, อไรทราบไหมเพราะท่านปฏิบัติตามพุระเจ้าสอนทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่คนนี้ก็ปฏิบัติตามพุทธเจ้าทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัติกับและปฏิบัติเขารู้อย่างนี้ เขาไม่หลับหูหลับตาอ่นนานหนังสืออย่างเดียวอ่นนานหนังสืออย่างเดียวนะมันมีการตัดสินใจผิดไม่น้อยกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าผลการปฏิบัติเดียวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้ที่บอกเป็นนักปราชญ์ท่านไม่มีความหมายอ่านแต่แกะหนังสือเอากำลังใจที่สำสามที่ประกอบไปกิเลสตัณหาฝ่าทาน อ, อ, อนกตศนกรรม ที่มีในใจของท่านเป็นประจําเข้าไปตีความหมายคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นี่ก็มนุษย์พวกนี้นี่แหละที่ทําลายพระพุทธศาสนาคัดค้านคําสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าเดรธีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอรัชีหาความอายมีได้หน้าด้านทําลายพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าเป็นการกลับมาแลวต่อมาก็ไปติดต่อกับคนลงสามารถรู้เรื่องราวขงนรกเป็นได้เป็นอย่างดีและก็รู้ว่าคุ้มไหนบ้างที่ตัวเคยมาทำกฎของกรรมอะไรภาพมันก็ปรากฏเตี <c oughs> ้ยความตายย้อนหลังเขามากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจบรรดารุบรรดาลูกรักทุกคน ท่านที้เป็นบิสุสมัมเเลนุบาสุกุมบ า, ส, มบาสิกาว่าชีวิตจริงๆของเราคือมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันเป็นอาทิตสมานกาย <c oughs> ที่บรรดาลูกรักทุกคนได้มโนมยิทธิออกไปจากร่างกายแล้วแล้วเอาร่างกายนี้ไปหร้อเปล่า้เราไปนรกไปเปรตอาศรกาย ไปเทวนาไปพรหมปนิพันธ์เอาเราร่างกายที่ไหนไปร่างกายนี้เราทิ้งไว้ส่วนที่จะไปที่เข้ารียกข้าจิตแต่พ่อขอรียกว่าทิศมารกายคือเป็นร่างกายที่ไม่สามารถจินได้ตาเปล่าตอนนี้ลูกเห็นว่าถ้าสมาธิของเราอ่อน กำลังใจของเราอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมากแต่้ว่าจะไปสนใจกับทุกขเวทนาเวลานี้เรามีอาวุธสำคัญที่สามารถจะระงับทุกขเวทนาได้นั่นก็คือคาถาของท่านพยายมตีให้ไว้ว่านโมพุทธายะ แต่ก่อนจะภาวนาทึกพระกมถึงบารมีก็องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระกุบุสัมโทพระโคนาโคมพระพุทธคสปพระสมณาโคดมและก็พระโพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรตั้งใจนึกถึงท่านให้มาช่วยระงับทุกขเวทนาแล้วก็ภาวนาจับปนาพานุสติกรมฐาน ไดเกรงว่าจิตจะพลาดปณิพาน์ก็คิดว่าองค์สมเด็จพระพิตรมารโยนิยพานชั้นใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักใสพ้นจากกายอันนี้ก็ขอไปโศพนิพานตั้งใจอยนนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระพิตรมารทั้งห้าพระองค์แล้วก็จับปานาปานสติกรรมฐานภาวนาวะนะโมพุทธายะ ร่างกายก็จะมันเทาหรือหายจาจทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็พุ่งจิตก็งตนออกจากกายจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานหาไปกราบพรานท่านผู้มีคุณที่ลานมรุกรมโพศิลาอาจก่อนแล้วเข้าไปไหว้องค์สมเด็จพระจิตวรพระจินวรไมพ่พระจุลามุนีเจดีสถานออังจากนั้นก็ไปนิพพิมานของพระพุทธเจ้า จะไปที่ของเราหรือไม่ไปไม่สำคัญชอบตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายมันพังมาไหลสิ้นลมปราณมาไหล้วก็อยู่ที่นี่ผ่านเหมือนนั้นอริยรดาลลรุััพสำหรับมรณะสัญญาที่พ่อแนะนํมาเาเล่าสู่กันฟังอย่างย่อเพื่อเพื่อนอริรรดานุภักทั้งหลายจะได้รู้จักการรักษากาลังใจ ว่ากำลังใจยามปกติเราควรทำยังไงกำลังใจเมื่อเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายควรทำยังไงสำหรับเทพหน้านี้ลูกรักก็หมดแล้วพ่อหวังว่าลูกทุกคนของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาสีและทุกคนจงจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ และจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ส่งฌานเป็นพระอริยเจ้าอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรเขาช่างถ้าตายครั้นี้หมดทุกข์ใช่ได้อาจมันเลยเวลามาแล้วนี่หลรักขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จประทศพลบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรรลแล้ว เขาบูรดรนดาโลกแก้วทั้งหมดจุมลุทำนั้นในชาติปัจจุบันนี้เธิดสวัสดี